สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาล น, นะครับพี่น้องครับเมื่อวานนี้ผมได้สรุปเรื่องการตอบคำอธิษฐานของคริสเตียนที่พระเจ้าผู้ทรงรักเราทั้งหลายผู้ทรงสัพพันญูผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดผู้ทรงอำนาจอธิปไตยพระองค์ได้ทรงตอบคำอธิษฐานในหลายๆรูปแบบเป็นการอนุญาตของพระองค์ แต่การอนุญาตนั้นจะเกิดผลดีหรือผลไม่ดีการที่โปรงบางครั้งไม่อนุญาตแต่ก็เกิดผลดีได้รับพระพรไม่อนุญาตถ้าเราฝืนทำเราก็จะได้รับความหายะนะพี่น้องครับถ้าพี่น้องอยากจะฟังซ้ำนะครับก็ขอโปรดเปิดเข้าไปเมื่อวานนี้ท่านจะได้ฟังซ้ำอีกครั้งหนึ่งในเช้าวันนี้ครับเราจะมาถึงกฎใหม่ครับกฎข้อที่17 ซึ่งเรียกว่ากฎแห่งการเป็นหนึ่งเดียวพระธรรมลดลของพระเยซูเจ้าบนภูเขาในพระธรรมมัทธิวบทที่5้ถึงเนั้นก็ได้เทศนาสั่งสอนและคําเทศนาสั่งสอนบนภูเขานี้ก็แสดงถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันครับในเช้าวันนี้เราจะมาดูว่าความเป็นหนึ่งเดียวกันนั้นระหว่างอะไรกับอะไรประการแรกครับก็คือระหว่างพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ ความเป็นหนึ่งเดียวกันในพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ครับมัทธิวบทที่ 5: ้าข้อสิพระเยซูตรัสว่าอย่าคิดว่าเรามาเลิกล้างธรรมบัญญัติและคำของผู้เผยเพระชนะเราไม่ได้มาเลิกล้างแต่มาทำให้สมบูรณ์ทุกประการฟังรูผิวเผยพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่นั้นเหมือนมีข้อขัดแยง้งไม่กลมกลืนกันมีหลายข้อ มากมายอยู่ครับแต่ในความเป็นจริงแท้จริงแล้วทั้ง2นั้นเป็นหนึ่งเดียวกันเพราะกฎแห่งการเป็นหนึ่งเดียวกันนี้ก็ครอบคลุมพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ขออธิบายความต่อไปนี้ครับประการแรกความเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่นั้นดํารงความเป็นหนึ่งในตัวอักษรและความหมาย วจนะของพระเจ้าบทที่5มัทธิวครับข้อที่20บอกว่าถ้าความชอบธรรมของท่านไม่ยิ่งกว่าความชอบธรรมของพวกธรรมอจารย์และพวกฟาริสีท่านจะไม่มีวันได้เข้าสู่แผ่นดินสวรรค์นั่นหมายความว่าความชอบธรรมของธรรมอจารย์และฟาริสีนั้นคือการรักษาการปฏิบัติตามกฎ ด, ดัวสอนตามกฎหมายตามธรรมบัญญัต แต่ความชอบธรรมของพวกฟาริสีนั้นเขาคิดว่าการปฏิบัติตรงนั้นนะครับเขาทำได้แต่เขาละเลยความหมายที่แท้จริงในกฎบัญญัติเหล่านั้นครับตัวอย่างของการละเลยความหมายในบทที่5าข้อ21 2 2ิดย่นี่กล่าวว่าทั้งหลายได้ยินคำซึ่งกล่าวไว้แต่คนโบราณว่ายาฆ่าคนเราบอกท่านังหลายว่าผู้ใดกลัวพี่น้องของตน ผู้ใดพูดกับพี่น้องว่าไอ้โง่ผู้ใดจะว่าไอ้บ้าผู้นั้นจะมีโทษถึงไฟนรกพี่น้องเห็นนะครับว่าในพระธรรมพีเดิมนั้นห้ามฆ่าคนยาฆ่าคนนี่เป็นแบบภายนอกครับเป็นลักษณะของรูปร่างภายนอกผิวเผินผิวๆครับแต่ความหมายข้างในเนื้อแท้นั้นสูงกว่าที่กล่าวมาเหตุผลของการฆ่ามาจากความแค้นนี่แหละครับ มาจากความแค้นความแค้นที่บางคนโกรธพี่น้องแล้วก็พูดกับพี่น้องว่าไอ้โง่ไอ้บ้านี่แหละครับเป็นที่มาเราจะเห็นความเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับเหมือนกับกิ่งไม้กับลำต้นเลยครับประการที่สองครับเป็นตัวอย่างที่สองมัทธิวบทที่5้ข้อยี่สิบยทั้งหลายได้ยินคำซึ่งกล่าวไว้ว่าอย่าล่วงประเวณี ฝ่ายเราบอกท่าทั้งหลายว่าผู้ใดมองผู้หญิงเพื่อให้เกิดใจกำหนัดในหญิงนั้นผู้นั้นได้ล่วงประเวณีในใจกับหญิงนั้นแล้วพี่น้องครับนั่นเป็นความเป็นหนึ่งเดียวกันกลมเกลืนกันระหว่างพระคำพี์เดิมกับพระคัมภีใหม่อีกแล้วละครับก็คือคําสอนข้อนี้กําลังเตือนและห้ามคนล่วงประเวณีในใจกับผู้หญิงเพราะใจกำหนัดเป็นเหตุ นำไปสู่การล่วงประเวณีการกําจัดใจกําหนัดก็เป็นการป้องกันไม่ให้ผิดประเวณีครับแต่นี่ก็เป็นหลักฐานตัวอย่างที่สองที่ตัวอักษรที่เป็นถ้อยคํากับความหมายที่เป็นหนึ่งเดียวกันครับตัวอย่างที่3ครับมัธิวบทที่5ข้อ33ถึง37ท่านได้ยินคําซึ่งกล่าวไว้แก่คนโบราณว่าอย่าเสียคําสัต์สาบานฝ่ายเราบอกทั้งหลายว่าจริงก็ว่าจริงไม่ก็ว่าไม่ พูดแต่เพียงนี้ก็พอคำพูดเกินนี้ไปมาจากความชั่วนั่นก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งครับเป็นหลักฐานของการเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างพระกัมพีเดิมกับพระกพีใหม่ก็คือเน้นเรื่องต้นน้ำครับต้นน้ำกับปลายน้ำนี้จะต้องเหมือนกันท่านได้ยินคำที่กล่าวไว้ว่าอย่าเสียคำาสัตย์สาบานแต่เราบอกท่านว่าจริงก็ว่าจริงไม่ก็ว่าหม่ พระเยซูกำลังกล่าวถึงคนทั่วไปว่าขอสบทสาบานเพื่อรับรองว่าจริงคนทั่วไปขอสาบานเพื่อรับรองว่าจริงแต่คริสเตียนนั้นต้องอาศัยคุณภาพที่ดีของชีวิตทำพูดคำจาของเราจึงมีเครดิตมีความน่าเชื่อถือรับรองได้นั่นแหละครับจึงทำให้คำสาบานมีความหมายที่แท้จริง ตัวอย่างสุดท้ายในเช้าวันนี้ครับตัวอย่างที่4มัทธิวบทที่เจข้อ12จงปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างที่ท่านปรารถนาให้เขาปฏิบัติต่อท่านนี่คือกฎทองคำที่พระเยซูสอนไว้ครับไม่ใช่เป็นคำสอนใหม่แต่เป็นเนื้อแท้ของคำสอนนั้นพี่นงครับสี่ตัวอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วนะครับเป็นข้อพระกรมภีทั้งสิ้นได้ทำให้เราเห็นถึงการเป็นหนึ่งเดียวกันครับ กาเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างพระกัมพีเดิมกับพระกัมพีใหม่การที่เราจะต้องปฏิบัติตัวกับคนอื่นเหมือนอย่างที่เขาอยากจะให้ปฏิบัติกับตัวเองเราจะต้องอย่าเสียคำสั์สาบานจริงก็ว่าจริงไม่ก็ว่าไม่เราจะต้องไม่ล่วงประเวณีและพร้อมกันนั้นก็ไม่มองผู้หญิงให้เกิดใจกำหนัดในหญิงนั้น เราจะต้องไม่โกรธพี่น้องอย่าด่าอย่าสาปแช่งพี่น้องว่าไอ้โง่ไอ้บ้าเพราะว่าความแค้นนั้นมันจะนําไปสู่การปองร้ายและนําไปสู่ฆาตกรรมได้พี่น้องครับเราจะเห็นว่าเป็นหนึ่งเดียวกันจริงๆครับพระเยซูมาเพื่อที่จะทําให้ธรรมบัญญัตินั้นสมบูรณ์ขอพระเจ้าทรงนําเรานะครับในการที่เราจะเข้าใจ นี่คือหลักศาสนศาสตร์เราก้าวเข้ามาอยู่ในบทนี้ซึ่งเป็นหลักศาสนศาสตร์แต่ว่านําไปใช้ได้ครับอย่ากโกรธคนอยาา่าด่าอย่าแช่งคนให้เรามีจิตใจที่รักเขาในเวลเดียวกันครับเราจะต้องไม่ล่วงประเวณีอย่ามองคนอื่นด้วยใจกําหนัดเราจะต้องพูดความจริงเราจะต้องปฏิบัติ ต่อผู้อื่นอย่างที่อยากจะให้เขาปฏิบัติกับเราขอพระเจ้าเสริมกำลังพี่น้องที่รักทุกท่านอาเมน